บทภาชณีติกะปาติเทศนิยะ568ตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสขะภิกษุสําคัญว่าเป็นตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสขะไม่ได้รับนิมนต์ไว้ไม่เป็นใข่รับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองแล้วเคี้ยวหรือฉันต้องอาบัติปาติเทศนิยะตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสขะภิกษุไม่แน่ใจไม่ได้รับนิมนต์ไว้ไม่เป็นใข่รับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองแล้วเคี้ยวหรือฉัน ต้องอบัติปาติเทศนิยะตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสขะภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่ตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสขะไม่ได้รับนิมนต์ไม่เป็นไข่รับของเคี้ยวหรือของฉันด้วยมือตนเองแล้วเคี้ยวหรือฉันต้องอบัติปาติเทศนิยะทุกกดภิกษุรับของที่เป็นยามากาลิกสัตตหากาลิกยาวชีวิกเพื่อเป็นอาหารต้องอบัตทุกกดฉันต้องอบัติทุกกฎทุกๆคํากลืน ไม่ใช่ตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสกขะภิสูจน์สคัญว่าเป็นตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสขาต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่ตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสขะพิสูจไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎไม่ใช่ตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสขะภิสูุสําคัญว่าไม่ใช่ตระกูลที่ได้รับสมมุติเป็นเสขาไม่ต้อง <S 2> <S 2> อบ<ย> <workouts> ัติ